สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทิยพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เรากลับมาสู่บทเรียนจากสุภาษิตครับสุภาษิตในเช้าวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่20ต่อจากวันศุกร์นะครับข้อที่19จนถึงข้อที่24สุภาษิตบทที่ยี่สิข้อ19ถึง24โปรดฟังพรว จ, จนะของพระเจ้าคนที่เที่ยวซุบซิบย่อมเปิดเผยความลับ ฉะนั้นอย่าเข้าสังคมกับคนปากบอลคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนประทีปของเขาจะดับมืดมิดมรดกที่ได้มาอย่างชิงสุกก่อนหามที่สุดปลายก็ไม่เป็นมงคลอย่าพูดว่าข้าจะแก้แค้นความชั่วจงรอคอยพระยาเวพระองค์จะทรงช่วยเจ้าตุ้มน้ำหนักช่อฉน เป็นที่เกลียดชังต่อพยาเวและตาช่างขี้โกงก็ไม่ดีย่างเท้าของมนุษย์นั้นพยาเวทรงกำหนดแล้วคนจะเข้าใจทางของเขาเองได้อย่างไรพี่รองครับให้เรามาดูในข้อ19ข้อ19นั้นบอกว่าอย่าซุบซิบอย่าเข้าสังคมกับคนปากบอลเรื่องของการซุบซิบนินทานั้น ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงสุภาพสตรีหรือในวงของสุภาพบุรุษที่มีนิสัยคล้ายๆกันพี่น้องที่เป็นสุภาพสตรีอย่าเพิ่งโกรธผมนะครับเพราะว่าเราเองนั้นอาจจะปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่ชอบสุบสิบเราอาจจะไม่ได้พูดให้ราย หรือเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่การซุบซิบนินทานั้นเป็นการดึงความสำคัญเข้ามาหาตัวเองเหมือนกับว่ารู้ไหมว่าคนนั้นก็เป็นยังไงคนนี้เ็เป็นยังไงเมื่อเรานำความลับของคนอื่นไปเปิดเผยโดยมากแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบหนึ่งของมนุษย์เป็นการ แสดงถึงการขาดความรักต่อคนที่เราพูดให้ร้ายต่อคนที่เราสุบสิบนิทาว่าเขาฉะนั้นนอกจากจะเป็นการขาดความรักแล้วยังขาดสติปัญญาด้วยเพราะว่าหากคนที่เราพูดถึงนั้นเขารู้ว่าเราเป็นคนพูดความสัมพันธ์ก็จะเสื่อมลงและขาดในที่สุดฉะนั้นเราจึงไม่ควรครบค้าสมาคม กับคนที่ชอบซุบซิบนินทาว่าร้ายคนอื่นการนินทาโดยทั่วไปนะครับอย่าลืมครับเป็นผลประโยชน์ของคนที่ชอบนินทาใครก็ตามนะที่ชอบยกย่องเราต่อหน้าก็พร้อมที่จะนินทารับหลังพี่น้องเชื่อประโยค น, นี้ไหมครับด้วยถ้อยคาที่อ่อนหวานแต่มีเล่ห์เหลี่ยมก็ดึงดูดความสนใจของผู้ฟังครับ และผู้ฟังก็รู้สึกยกย่องให้เกียรติให้เกียรติผู้พูดผู้พูดก็เกิดความหยิ่งยโสครับและทั้งนี้ทั้งนั้นครับทั้งผู้พูดผู้ซุบซิบและผู้ฟังคํานินทาก็มีการควบคุมกันและกันใช้กันและกันฝ่ายหนึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับหลายสิ่งหลายอย่างจากการซุบซิบนินทา ดูเหมือนการซุบซิบนินทานั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเองจะต้องะระมัดระวังครับการนินทาการซุบซิปทำให้ความไว้วางใจเสียไปเราจึงควรหลีกเลี่ยงคนที่ชอบซุบซิบพูดมากนินทาอย่าไปเสบานาคบค้าสมาคมกับคนเช่นนี้พระกัมภีบอกเราข้อ20ครับ การแช่งบิดามารดาเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะเขาจะประสบความตายก่อนเวลาอันควรหากพี่น้องมีเวลานะครับเปิดดูในพระธรรมเลวีนิติบทที่20ข้อที่เก9ครับคำแช่งด่าหมายถึงอะไรคำแช่งด่าหมายถึงการเปิดโปงอย่างไรเหตุผลการพูดอย่างไรเหตุผลที่เต็มไปด้วยความแค้นเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่ระเบิดออกมา นั่นคือคำแช่งด่าครับโดยมีวัตถุปสงค์เพื่อให้เสียชื่อเสียงเพื่อให้เสียเกียรติพี่น้องครับการทําอย่างนี้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นการไม่บังควรอย่างยิ่งคําว่าประทีปของเขาจะดับก็หมายถึงความตายคําว่าเวลาแห่งความมืดก็หมายถึงเวลาที่ชั่วร้ายเพราะฉะนั้นในข้อ20นี้นะครับ ให้เราพึงและมันระวังนะครับใครที่พูดไม่ดีกับคุณพ่อคุณแม่ใครที่แช่งบีดามารดาของตนชีวิตของเขาจะดับครับชีวิตของเขาจะเข้าสู่ความชั่วร้ายชีวิตของเขานั้นจะมืดมิดข้อ21มรดกที่ได้มาอย่างชิงสุกก่อนหามคือการเรียกร้องมรดกจากพ่อแม่ก่อนเวลาสมควรเราเห็นนะครับในเรื่องบุตรน้อยหลงหาย นะครับลูกคนเล็กก็เรียกร้องมรดกที่เขายังไม่ควรได้จากพ่อและชีวิตของเขานั้นก็หลงหายไปครับแต่พี่น้องครับยังมีความหวังเพราะว่าบุตรน้อยหลงหายนี้ได้กลับมาสู่อ้อมกอดของบิดาได้ฉันใดเราเองซึ่งบางท่านบางคนอาจจะเป็นบุตรน้อยหลงหายที่ได้ยินเสียงนี้ เราเองก็ยังมีความหวังครับที่เมื่อไรก็ตามที่เรากลับมาสู่พระเจ้าพระเจ้าก็จะรับเราเป็นลูกของพระองค์อีกครั้งหนึ่งใครก็ตามที่มีความมั่งคั่งแบบการเอามราดกแย่งชิงมรดกได้มาอย่างชิงสุกก่อนหามนั้นเงินทองของเขานนัจะถูกถลุงอย่างหมดสิน้นผลที่ได้ก็คือไม่ได้รับพระพรในบ้านปลายครับ เพราะว่าแรงจูงใจเบื้องต้นนั้นก็คือความเห็นแก่ตัวพินุ่งครับทัพย์สมบับแบบนี้ได้ถูกวิเคราะห์ว่ามันจะถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองและบ่อยครั้งก็ระ ง, งับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าคนที่ได้ไปแบบนี้เขาไม่ได้สร้างเองเพราะเป็นบรดกและในเวลาเดียวกันครับจิตใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความโลภและเขาได้เงินไปเขารู้สึกสบายๆไม่ต้องคิดไม่ต้องอุดสาหะภาคเพียน นี่แหละครับคือเป็นสาเหตุที่ทำให้ในที่สุดแล้วชีวิตของคนที่เอามรดกแย่งชิงมรดกก็จะแย่ในบั้นปลายข้อ22ครับเป็นบทเรียนที่ยากสำหรับเราอาจจะนับว่าเป็นบทเรียนที่ยากที่สุดก็ได้เพราะว่าการมอบเรื่องราวทั้งสิ้นไว้ในพระบาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากมากมอบทุกอย่างนะครับพูดง่ายทายากครับ การรอคอยพระเจ้าเมื่อเราโมโหเมื่อเราถูกกันแกล้งเมื่อเราถูกใ ส, ส่ร้ายป้ายสีเมื่อเราถูกเข้าใจผิดอย่างที่ว่าโดยไม่ตอบโต้นะรอคอยพระเจ้าให้พระเจ้าตอบโต้เองเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจน่าสงสารครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอยู่ในสภาพเหมือนกับการน้ําที่กําลังเดือดนะแต่ไม่สามารถเปิดฝาไม่สามารถนําลงจากเตาได้เนื่อครับ คือสภาวะที่เราเดือดแต่ทำอะไรไม่ได้พี่น้องครับให้เราไว้วางใจพระเจ้าครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำอย่างนี้พระเจ้าไม่เราไม่ไม่อยากให้เราทำการแก้แค้นครับแต่ให้เรามอบการแก้แค้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะสรงลงพระอาทยา <c oughs> ในโมบที่12บสอข้อสิครับ ไ, ได้บอกว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองให้เราเชื่อว่า เป็นการดีกว่าครับที่เราจะมอบเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในพระหัชของพระเจ้าเพราะว่าในเวลาที่เหมาะสมครับพระเจ้าจะทรงขับถ้ำด้วยตัวของพระองค์เองข้อ23ครับสั้นๆเป็นการกล่าวถึงการคดโกงช่อฉนซึ่งคริสเตียนเราไม่ควรทำการโกงเล็กโกงน้อยเอารัดเอาเปรียบไม่ใช่วิสัยของลูกของพระเจ้าในการดาเนินชีวิตอยู่ต่อหน้าคนที่ไม่เชื่อ ข้อ24พระเจ้าทรงนำย่างเท้าของเราหากว่าเราเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะทรงนำในการตัดสินใจเลือกทำบางสิ่งบางอย่างไม่ทำบางสิ่งบางอย่างจะทำอย่างนั้นดีไหมจะไม่ทำอย่างนี้ดีไหมพฤติกรรมของเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้าจะนำเรานั่นหมายความว่าเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์พระเจ้าจะทรงนำทั้งชีวิตของเราและพระเจ้า นะครับพี่น้องครับอย่าลืมว่าพระเจ้าจะทรงเป็นองค์ประกาศสิ้นสุดท้ายในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นหลายครั้งทีเดียวอาจจะเป็นการยากครับที่เราจะเข้าใจหนทางที่พระเจ้าทรงนําไปแต่เนื่องจากพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นแน่นอนครับหลายครั้งทีเดียวเราอาจจะไม่เข้าใจถึงอนาคตได้ทั้งหมดไม่ว่าเราจะวางแผนด้วยความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาเพียงใดก็ตามพระเจ้าบอกว่าแผนงานทั้งสิน้น หรืดวงความคิดนั้นเป็นของมนุษย์แต่ความสําเร็จมาจากพระองค์พระองค์ทรงเป็นองค์ประกาศสิทธิสุดท้ายในการที่จะให้บังเกิดสิ่งต่างๆในชีวิตของเราฉะนั้นให้เรามอบทางของเราไว้กับพระเจ้าครับวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จตามชอบพัทธิของพระองค์ครับพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราทั้งหลายทุกคนรวมทั้งผมด้วยเพื่อที่เราจะ ดำเนินชีวิตตามพระจนะของพระองค์ได้อเมน